ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณได้นำเสนอพุทธการะกะธรรมหรือธรรมะที่ทำผู้ปฏิบัติให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือบา ร, รมีสามสิทัตน์มาโดยลาดับก็มาสรุปที่ประชาตสุดท้ายคือประชาที่เป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ คือถ้าเรานับเป็นจริงๆก็จะถือว่าชาติสุดท้ายก็ไม่เชิงเนี่ยเพราะว่าประชาสุดท้ายก็คือประชาที่เป็นเจ้าชายศิทธัตถะเนื่องจากสมัยที่เป็นพระเวสสันดร น, นั้นหลังจากที่วงโคตรไปแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพประบุตรคือสันตุสิทธิ์เทพบุตรอยู่ณนะสวรรค์ชันตุสิทธิ์ก็เรียกว่าเป็นเวลานานมากเหมือนกัน แต่ว่าประเด็นที่น่าจะทำความเข้าใจที่เรื่องราวของพระเวสสันดรคือถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตนะว่าคำสอนในพวกชาดกเป็นต้นที่เราเรียกว่าปุคลาทิฐานคือการแสดงโดยมีตัวตนของบุคคลเป็นหลักอันที่จริงแล้วก็คือการสะท้อนธรรมะออกมาเป็นพฤติกรรม คือมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วคือถูกผิดได้ดูแล้วมหาวิทยาลัยมหาบุรรามยวิทยาลายัยเอ่อพวกระดับบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องเวชนร์ฉาดก แล้วก็แบ่งเป็นแผนกอะไรต่างๆไวมากประเดี๋ยวมาเป็นกรรมการสวดอยู่ด้วยรูปหนึ่งก็ทําให้มองเห็นว่าถ้าเรามองธรรมะจากเรื่องพระเวสสันดรเราจะได้ธรรมะเป็นอนเนกนันนะครับพอถ้าเรามองย้อนอดีตเราจะเห็นว่าในสังคมอารยันเอง เรียกว่ยยุก่อนพุทธกาลเนี่ยมันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นอยู่สองเหตุการณ์ที่เราเรียกว่ามาภาละตะยุธทธ์คือเป็นการรบกันขนาดใหญ่ในชมพูทวีปเรื่องรามาเกียรติ์หรือรามายณะ น, น, นั้น หรือถ้าแง่มุมของประวัติศาสตร์จริงๆก็คือการลุกรานของพวกเผ่าอารยันหรือพวกของพระรามที่มาลุกรานพวกมิลก่ะหรือพวกดาราวิเดียนซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมแต่ทำไรทำทำไมเรื่องรามาเกียรติจึงแพร่แพร่หลายกว้างขวางมากประเทศแถบเอเชียอย่างน้อยเจ็ดแปประเทศเมีเรื่องรามเกียรติแล้วของเรา ก็วิจิตพิศดารมากกว่าเพื่อนต่นี้เพราะว่ามันมีบันเทิงคดีแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนั้นที่จิงกกสะท้อนเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของธรรมะออกมาเป็นรูปกุศลนะกุศลแล้วก็กลางกลางส่วนใหญ่ก็กุศลนะกุศลแล้วเราก็สามารถจะมองในแง่มุมของธรรมะได้ โดยตัดเป็นตอนๆ น, น, นะฮะคือหมายความว่าปัญหาตรงนี้ที่จริงเรื่องราวมาเกียเนี่ยสามารถจะตัดตอนจะได้ถ้ากว่าคนได้เข้าถึงธรรมะหรือมีสานึกที่ถูกต้องเหมาะสมแต่เรื่องมันลากไปสู่ความรุนแรงไปเรื่อยเพราะความรื้อรั้นคือต้องการเอาชนะอย่างเดียวของทศกัน แล้วถ้าเรามองในตรงนี้มันก็เรื่องของความอาคาดแค้นที่ฝังลึกๆอยู่ในจิตใจของทศกัณ์ตั้งแต่สมัยเป็นนนทกก็ท้าทายกันมากับพระนารายณ์เพื่อมาต่อสู้กันในโลกมนุษย์ด้านั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเรามองถึงสาวไปถึงที่มาของเรื่องรามเกียรติ เราสามารถตัดตอนได้สามตอนสามตนใหญ่ๆนะแล้วก็ยุติปัญหาได้ภาคสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของพระอิศวรกำหนดทุกข์แล้วก็กลุ่มเทวดาทั้งหลายแตถ้าหากว่าพรเทวดาไม่ไปรังแกนนุนทุกขหรือสบประมาดดูถูกดูหมิน่นนุนทุกขปัญหาต่งตางๆมันก็ไม่เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้านนทกอดกานอดทนก็ทำเฉยๆเสียสักระยะหนึ่งเขาไม่เห็นเราใส่ใจสนใจเท่าไหร่มันก็เลิกลาไปเองแต่นนทกก็ไม่ยอมเกิดความมาคาดพยาบาทไปขอพอรจากพระอิศวนเพื่อให้ได้นิ้วกายสิทธิที่สามารถชี้ให้คนตายได้ตามต้องการเล่นแรงนะะ ก็เย็นว่าอาการของโทสะโมหะนี่มันแรงเพราะว่าพวกเทวดาเหล่านั้นก็แค่รูปศีรษะเฉยก็ทำนองล้อเล่นด้วยซ้ำไปแต่ว่าแกโกรธเอาถึงตายกันแต่พระอิศวรก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรคือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายก็สามารถให้พรได้ก็ให้เสละเลยแต่ถ้าเราศึกษาพวกอวตารเนี่ย ก็จะพบว่าพระอิศวรนี่สร้างปัญหาให้พระนาลายแก้อยู่เลยท่านไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรใครขอใครพี่นอพี่เทาท่านดีๆท่านก็ให้พรด่าไปเองแต่นี้ที่จริงเป็นตัวอย่างที่สอนสังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดีว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องหนักแน่นอย่างว่าพระเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระที่บวชเข้ามาเรียงเป็นสามระดับ นวกะแปลว่าผู้ใหม่มัชิมะแปลว่าปานกลางแล้วก็เทระก็คือหนักแน่นมั่นคงไม่อนไวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบไม่ว่าใครเข้าถึงพี่นอกพี่เทาบีบบีบรวดนวดไปจบไปแจงมากๆแล้วก็หลงไหลขออะไรก็ให้โดยไม่มองถึงจุดที่เราต้องรับผิดชอบ เพราะอะไรเพราะว่าตัวเทพทั้งหลายเนี่ยคือในลทัทธิของเทวนิยมเนี่ยเราก็ต้องมองว่าตัวเทพทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยแล้วการให้พรแก่นนทกเพื่อให้มีนิ้วกายสิตสามารถชี้คนอื่นตายได้เนี่ยมันก็สแสดงว่าคิดผิดแล้วอะคือแกไปชี้ก็ไปชี้เอาพวกตัวเทพทั้งหลายก็ซึ่งก็เป็นบริวาร ของพระอิศวรแน่นองแล้วลักษณะของเทวนิยมเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยคือองค์ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรปรัญหาจึงเกิดยเยอ ย, ยาวนานแต่ในที่สุดนนทกก็เอานิวที่ให้ผอนไปก็ไปชี้เทพบุตรปลดลมตายลงไปน็น้นมากจนในที่สุดก็เดือดร้อนถึงพระนาราย จะต้องมาปราบซึ่งว่าก็ตามความจริงพระนารายก็น่าจะหาวิธีที่นิ่มนวลกว่านั้นแต่ว่าเพราะนนทกมันทยองลําพองไปแล้วคือหลงในอํานาจเกิได้อํานาจมันก็หลงอํานาจหรือคนไม่เคยมีอํานาจนะคนมีหน้าที่เพียงแค่ตักน้ํารถล้างเท้าให้คนอื่นก็ได้อํานาจมันก็เหลื้งอำนาจาใช้อํานาจพําเพื่อ หวามปรามตักเตือนขอร้องอยังไงก็ไม่ฟังแล้วนะเอาก็จริงพระอิศวรก็เอาไปอยู่ละพอดีไม่ดีก็เกิดยั่วขึ้นมาไปเชียร์พระอิศวรตายด้วยเพราะปัญอาไรก็ต้องใช้วิธีการซึ่งก็เป็นเล่เป็นเหลี่ยมในการตอ่อสู้ถ้าหากว่านนทกเข้าใจเหตุผลที่ต้องทำแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่ามันไม่มีใครสำนึกผิดตลอดระยะเส้นทางนี้เราลองดูไม่มีใครสำนึกผิดเลยก่นอนในที่สุดเกิดท้าทีถ้าต่อยกันพระนารายก็เบาแก่ความไม่ใช่ธรรมดาเพราะก็ท้าขึ้นมาก็ยั่วเลยกริ้วขึ้นมาก็ให้พรให้โทศักกันมีฤทธิ์มีอำนาจมี ตั้งยี่สิบกรทั้งสิบเศียนหอเหิ้นเดินอากาศได้มีอาวุธมีพิเศษอะไรต่างๆมากมายท่านจะไปปราบด้วยความเป็นมนุษย์ธรรมดาเอาก็จริงมันก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันสู้ไม่ไหวอะอย่างเงี้นะเลยก็ต้องเอาเทพบุตรเ ท, ทิดาเฮ้ยเทพบุตรมีจุติกันมาเยอะเลยนะเราจะเห็นว่าอ น, นันตนาคราชก็ดีพระลักษมีก็ดี ก็มาช่วยกันแม้แต่สินสอนต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็มาเกิดมันก็สอนให้เห็นว่าคนเราเวลารู้อำนาจแก่อารมณ์อย่าพูดอย่าทำอะไรเพราะไม่งั้นจะพลังพลาดแล้วก็ลื่นไหลไปเยอะประการตรงนี้มันก็เกิดมาทีนี้ถ้าถ้าถ้าเรา หยุดสักคนหนึ่ง น, นะฮะคือพระนารายณ์ก็ถือว่าท่านปฏิบัติภารากิจในการรักษาโลกอภิบาลโลกแล้วก็นนทกบเขาก็มีสิทธิ์จะโกรธเพราะว่าเขาจะตายแล้วก็ไม่รับคการท้าอะไรเราก็ไปตามกันก็จบแต่ว่าเมื่อท่านไม่ยอมมันก็ลากกันไปเรื่อยภาคสวรรค์เราลองสังเกตว่ามันเกิดจากความโกรธและความมีเค้า พอมาถึงภาคมนุษย์ภาคมนุษย์มันก็เริ่มจากการที่ส่งกากรนาศูนย์มาแย่งอาหารจากอาหารชิปในพิธีที่ปรุงอาหารเพื่อได้พระราโชรสแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดนางสีดาขึ้นมาคือเราเรามองตามความเชื่อถือนะฮะตรงนี้ว่าสมมติเราจะไม่ลักขมโมยสักเรื่องหนึ่งนี่ก็จบละวแต่เกิดไปรักขมโมยเข้า แล้วก็มวยเข้าในที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องยุดยเจือยาวนานนะเลอทศ ก, กาณ์ก็จำลูกสาวตัวเองไม่ได้กระดังสีดาก็เป็นลูกสาวของท่านเองเลยก็มาแย่งจเจ้าลูกสาวไปเป็นเมียดโดยตัวเองไม่รู้นะนั่นก็คือคือเราจะเห็นลักนณะาอย่างหนึ่งของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมนุษย์ ก็จนถึงเมื่อเติบโตขึ้นมาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันเกิดมีปัญหาขึ้นในอโยธยานางกายเกสีซึ่งก็มีฐานะเป็นแม่ของพระรามแต่ก็โดนลูกยุกมาจากหญิงของ้อมเลียนมาว่าผู้ใหญ่หูเบาเจอผู้ใหญ่หูเบากัาอีกแล้ว ยิงค้อมก็ต้องการจะแก้แค้นกระามเราเคยยิงใช้ธนูยิงหลังแกให้ตรงเดี๋ยวก็ยิงจะกลับไปห้อมต่อนะก็ทาให้แกแค้นคือถ้ายิงให้ตรงแล้วก็หายค้อมเนี่ยคงไม่แค้นหรอกแต่ว่าก็ยิงให้ค้อมอีกก็เลยแคแค้นแต่แก้แค้นไม่ได้อันนีค้คือปัญหาต่างๆที่มันผู้ใหญ่ถุงยืมมือ เพื่อแก้แค้นเป็นการส่วนตัวแล้วสังคมไม่เคยละนิสัยแบบนี้เพราะนิสัยในราไม่เกีย่ยนไม่ว่าเราจะดึงตัวละครตัวไหนขึ้นมาพูดเนี่ยแลก็นิสัยอย่างเนี้ยมันมีอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดต่ในที่สุดนางกายะเกยสีก็ถูกปลุกร้าวให้เกิดฤิสยาเห็ดมาที่จริงมันมาจะกโกรธแล้วก็พยาบาทต้องการจะแก้แค้น แต่ว่าทายังไงจะให้ได้พวกละ่ะมันก็ต้องปลุกราวให้รู้สึ ก, กว่าตัวเองจะสูญเสียคือมนุษย์นี่จะอ่อนแอมากเมื่อไปปลุกราวให้รู้สึ ก, กว่าตนเองจะสูญเสียหรือตนเองจะได้น้อยหรือจะไม่ได้มันจะเกิดความกลัวคือใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือหรือไม่งั้นก็ใช้ความโลภเป็นเครื่องมือ จะพยายามพูดน้มน้าวน้มน้าวให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นแล้วจะได้มากมากจนเคริบเคลิมหลงไปเลยก็ในที่สุดก็มาขอพรท้าทศรดขอให้พระพรสเนี่ยเป็นไปจะเป็นดินครองอยุทยาแทนตรงนี้ก็เป็นแบบจึงหนึ่งที่สอนให้เห็นว่ากษัตริย์ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในชมพูชวี เราศึกษาพวกพวกฉดกพวกอะไรต่างๆแม้แต่บรรพชนของพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าโอกากาการาชสตัวเงี้ยพอดีใจแล้วก็ให้พรดะไปเรื่อยไปเลยก็แบบเดียวพระอิศวนเห็นไหมลักษณะนิสัยคล้ายกันหมดพรอิศวนถูกนนทกประจบประแจงพักเดียวอ้าวคายพรพระเจ้าโอกากา ก, าการาชมีสาวได้ลูก ชายขนเล็กให้ทั้งทั้งที่มีพระโอรสพระธิดาจะตั้งเก้าองค์ให้นะเอาพร้งพระวิชาพระราชาทานพรแล้วก็ไม่รัด ก, กุมด้วยนะให้พรแบบไม่รัด ก, กุมให้พระน้องนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์คือต้องประสงค์อะไรละจะให้ได้ทั้งหมดสมมุติรัพระนาขอชีวิตก็ต้องให้นะฮะประกนสมัยนั้นก็รักษาสัจจะฮะวันท้าทศรถเองก็ไปให้พรแกนางกายเกษีโดยไม่มีข้อแม่เหมือนกัน ให้นางเลือกถอตามที่ประสงค์แน่นอนเราโดยคาดหมายนี่คงจะไม่คาดหมายว่าไปขอพรขนาดนั้นนะแต่กิ๊วก็ทําอะไรไม่ได้ต้องรักษาสัจจะมันถึงทางเลือกทางเลือกว่าจะผิดสัจจะอติยานที่เราใช้คํำแรงๆว่าจะบัตรสัจจะตบสัจหรือไม่ล่ะถ้าจะตบสัจมันก็ไม่ต้องให้แต่มันก็ต้องทํำบาปกรรมอะไรอีกเยอะเ ตอนนี้ถ้าทศรดก็ต้องหยอกแต่ก็ไม่มีข้อแม้อะไรเอาไว้วให้พระรามกลับมาครองราชหลังจากนั้นสิบสี่ปีทีนี้พระรามนางสีดาทศกัณฐ์เนี่ยเราจำไม่ออกไปอยู่ที่จริงมันก็ทานางส ม, มณขาไม่มายุ่งปัญหามันก็หยุดอยู่ตรงนั้นได้คือท่านอยู่ครบสิบสี่ปีแล้วเนี่ย ทัานก็เข้ามาเป็นไม่จะเป็นดินเพราะว่าพระพุทท่านไม่ต้องการนะคือนั้นพี่น้องนี่เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากคือเคารพกันถือกันมามื่ก็กลายเป็นแบบที่สอนว่าพี่น้องเหล่าเนี้ที่จริงมันอายุไม่ได้ห่างอะไรกันมันเกิดใกล้เรีย่ยใกล้เคียงกันคล้ายๆก็ฝาแฝดสี่นะฮะแต่ว่าก็ให้ความเคารพกับพี่ใหญ่คือพระนารายณ์เออคือคือพระราม พอไปอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งว่าไอการที่เราดีเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะยอมรับเราทั้งหมดปัญหาตรงนี้มันเกิดจากแรงวิทยาทั้งคู่นางสมนาัขามาเห็นพระรามก็อยากได้เป็นสามีเพราะว่าปวดตายก็แสดงสะทางจะแย่งชิงจนถึงก็พระรักพระรักไปจับไปลงโทษ แล้วแกก็เกิดความแค้นเห็นหั้มเมื่ออยากได้ไม่ได้ก็จะเกิดโกรธเกิโดโกรธก็ต้องการจะแก้แค้นแล้วในสุดก็ไปพรรณนาความสวยงามของหนังสีดาสหยดย้อยนะแล้วทศกัณฐ์นั้นก็เป็นยักษ์ที่ไม่มีเหตุผลก็มียเขานะฮะแต่ยังวางแผนจะมาแย่งแล้วในที่สุดก็ คือฤิษยาที่พระรามท่านมีเมียสวยนางสำนาขาก็ริษยานางศรีดาที่มีผัวหล่อคือต้องการได้เองทั้งมันก็ลากเรื่องขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่จริงมันเป็นการสอนเป็นการเตือนใจคือให้กติเตือนใจในพฤติกรรมในการกระทำของตัว ต, วตนบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นการสะท้อนอกุศลออกมาแล้วก็เพิ่มความเข้ม ความเข้มข้นของปัญหาออกไปโดยลำดับพอมันเริ่มส่งมารีดปลอมมาเป็นกวางแล้วก็ตัวเองก็มาชกเอาหนังสีดาไปต่นนั้นเองเรื่องก็ยาวไปใหญ่โตแล้วก็ดึงคนมาตายอีกเป็นนั้นมากเพียงเพื่อจะสนองตัญหาของยักษ์ตนเดียวทอนนั้นเองอันนี้ก็คือสังคมใจรวบ บางครั้งบางคราวนี่คนจํานวนมหาศาลที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเพราะคนเพียงคนเดียวในสมัยที่ปากีสถานตะวันตกตะวันออกซึ่งตะวันออกตัวมาที่เป็นบังกลาเทศเนี่ยเจ้าก็ทําสงครามกันคืออาตมาก็ไปศึกษาที่อินเดียพอดีนะเข้าไปเขก็บังจราจนกันอยู่พอดีแล้วก็มามองเรืองว่าเนี่ย พวกคนปากีสถานทั้งตะวันตกตะวันออกเลยแม้แต่พวกอินเดียนี่ตายกันเยอะเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของคนแค่สองคนดงเดี่ๆแล้วคนทั้งสองนี้ในที่สุดก็ถูกถูกฆ่าตายทั้งคู่คือแต่ผู้โตกับไอ้เช็คมูจิปมันก็เหมือนกับแบบนั้นเหมือนกับเรื่องราวต่างๆของอินเดียในอด คนเป็นอันมากที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อรับใช้สนองความต้องการของบุคคลอื่นแล้วพวกโรนี้มันเปลี่ยนความคิดเป็นนิดเดียวก็เปลี่ยนได้แ่ะแต่ไม่ยอมเปลี่ยนมันตัวอย่างสองคิมคิมอินซุงกับคิมอะไรนะแดจุงเนี่ยคิมจงปินกับคิมแดจุง ที่มาไปชุมกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเห็นไหมความอาฆาตแค้นที่เคยเป็นศึกสงครามคนตายกันเป็นแสนๆนีแล้วยุดเดือกันมาโรอห้าสิบปีมันปรับความคิดทีเดียวก็ได้นะมันไม่มีอะไรแต่ว่าคนเวลามีกิเลสขึ้นมาเนี่ยมีความอาฆาตพยาบาทมีความริษยามีความหึงหวงอะไรนี่ ไม่ยอมลดวาราสอกอะไรให้ใครรั้นตัวอย่างเรื่องรามเกียรติ์ถ้าเรามาวิเคราะห์ให้เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของธรรมะเนี่ยในแนวมองแบบบณนาดาลวิจารณ์มันก็จะเห็นอะไรอีกเป็นอันมากซึ่งสะท้อนถึงกุศลและกุศลน ะ, ะที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลล่านั้นและเราสังเกตว่ารามเกียรติ์ไม่ค่อยมีคำสอนไม่เหมือนกับมหาภาราตยุทธ มาตราภาละตายุตเป็นสโลกเป็นคำสอนเป็นปรัชญาลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสีมัสภะกวัตขีตาเนี่ยแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จกกักหรอกเพราะอะไรเพราะมันสูงเกินไปแต่เรื่องราวเม่เกียรในสนุกตื่นเต้นนะเพียงแต่ว่าเรามาศึกษาในรูปของโนนิยายนิทานนะฮะนิทานศึกษาในรูปของวรรณคดี เกือแทนที่จะศึกษาว่าไอเ น, นี้ยที่จริงก็คือการสะท้อนธรรมะออกมาเป็นรูปธรรมแล้วมีเจตนานแล้วมีการกระทําแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํำแล้วตอนสุดท้ายของคนสองกลุ่มคือกลุ่มของพระรามกับกลุ่มของทศกณัณฐ์ก็ได้รับผลตอบสนองไปตามสมควรแก่เหตุก็แน่นอนแหละแต่ละฝ่ายก็ต้องสร้างบาปแต่ว่าจุดเริ่มต้น ทศกัณ์นั้นเป็นเริ่มต้นที่รุนแรงแ ต, ตอนเป็นนนทกก็คือโกรธแค้นนคาตพยาบาทตอนเป็นทศกัณ์ก็คือริษยาจนคุมความรู้สึกไม่ได้ขนาดว่ามาแย่งปัญญาของคนอื่นนะพระรามแม้เราจะไม่เชื่อมโยงถึงพันอรายมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แล้วคนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเนี่ยฮะปล่อยให้คนอื่นไปชุดกระชาิไปมันก็ยังไงอยู่เหมือนกันซึ่งแน่นอนสมมติว่าท่านท่านไม่ดำเนินการเนี่ยญาติพี่น้องวงศากนนายาเนี่ยราชวงศ์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมมั น, นตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าผ้าป้องกันปัญหาตรงนั้นต้องไปได้รู้จักยับยัง้งช่างใจหนังสัมมนาขาก็รู้ว่าพระราบนั้นก็มีปัญญาแล้ว เลยว่าทศ ก, การก็รู้ว่านางสีดานั้นมีสา ม, มีแล้วก็จบ น, นะเดี๋ยวเขารบสิทธิของกันในกันเพราะฉะนั้นในเรื่องรามเกียรติเนี่ยสามารถจะตัดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนคือหยุดกิเลสเสนหน่อยหยุดให้เชื้อไฟคือกิเลสเสนหน่อยแล้วก็ตัดตัดกระแสะกิเลสมันก็น้ําหนึ่งใหม่เรื่องมันจะเดินไปได้ดีๆได้ แต่ว่าก็กลายเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาในการต่อมาว่าพวกกุศล น, นั้นเมื่อมันเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะดึงปัญหาต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตของบุคคลอีกเป็นอันมากเพราะนักศาสนาจึงสอนให้มองเห็นโทษในเรื่องราวนิทานบุคคลต่างๆเนี่ยที่จริงก็คือต้องการให้คนเห็นโทษในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไม่เอายิ่งอยากในกรหนีที่เกิดปัญหา แล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างในกรณีที่อำนวยประโยชน์และความสุขให้แก่บุคคลในยุคสมัยนั้นเราจึงสามารถได้บทเรียนจากจากเรื่องราวของพระโพธิสัตว์คือพวกอิชาดกต่างๆเนี่ยทุกเรื่องเยนะแล้วก็ได้เยอะด้วยแต่ว่าจะอยู่ในแวดวงของขรงกุศลกรรมคือพวกปรมีธรรมต่างๆดั ง, งกล่าวแล้วต้องฟังทังลาย ในโรงพยาบาลติยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี